ในเวลาก็พยายามพออยู่โรงพยาบาลรามาตอนนั้นก็กําลังเปลี่ยนเป็นปเสนูธรรมะกําลังแห้งนะพอนายอินนาพุ่มบอยันเลยเทศอย่างเดียวนะอ่าพอแต่ไปหอดกบินธาบาัต็ไปเทศพอฟัง่งตอนเป็นเปลนอยู่เ น, นี่พอบ่ฟั่งอาตมาเลยตอนชีวิตยอยู่ดีๆอยู่เนี่ยไปเทศอยู่บ้านนี่เพป่นว่าให้หลดภาษาหลงซื้อตัวมาทันอ่าขันภาษาหลูซื้อกลตัวไปโตมันเดือตายก็ตามเด้อดเสียเ เนี่ยบนบอกเพื่อนยัยพ่อแต่อาตมาก็ไปยำไปผ้ายกมือสางเยาวาอยู่ในโรงพยาบาลศพเตียงนั่นบนบมีของพิเศษด้ธรรมดาศพเตียงนอนอาตมาก็ไปเทศเทศยกมือสางเยา่าเทศจะว่าหมอผู้เปนมาตรวจจนเ้าค่อยเ้าเทศยมีหมอมาตรวจค่อยเศ้าเทนะแต่ว่ามาก็นั่งยกมือสางเยาวอยู่่ะ นางยุ้มือสางไปอยู่เตียงหมอกระตุกไปเปลยนพระรู้สึกว่าได้พิสิทธิ์อยู่เขาบลาออกจากหองพระนางพอดีก็มีหมอคนหนึ่งมือที่มือทีเกือบเกือบเดือนนั่นแหละมืออาทิตย์ที่สมแล้วมีหมอคนนึงหมอผู้ยิ่งเื้อหมออมมาลาเลยมาถามพวะคุณเจ้ายวันใดวันสายนั่นเองดุสิตบุสิพบเทียนน ประเทศท่านไดเพิ่ม้นมโนภาพไปแล้วท่าเป็นล้านสิษเพิ่มอีกท่นเนาะกาปฏิบัติแบบเนี่ยเพิ่งก็เลยไปสนธนาธรรมน้ำเนอยู่ของพิเศษเ น, น, นาะธนาธรรมเบาเรียงธรรมหม า, ายเพิ่งก็เลยเบาเรียงพอท่านใดเหตุใบประกันยังปล่อยบ่อนีแล้วเนาะเพิ่งก็เลยเดือดรองให้เนี่ยจนบ่อนีบ่อิี้บา ท, ท้องเดิแต่ก่อนเนี่ยบ่อี้บา ท, ท้องกาค่ารักษา ส, าสิหลายมื่นอยู่ละ เป็นกระเทือบาดทรงเคาะทรงยังห้วิดได้เสียวรจีพ่านบาดนะอันนี้กั น, นทรงการปฏิบัติบัตินี่อาตมาครนี่คือล่างหนึ่งที่ออกจากนี้นะลาภพิษเนี่ยกลับไปบ้านบัตนี่พอได้กลับพอเอาพอไปสรงบ้านแล้วเพิ่งกลับจากบ้านอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนสองเดือนนะขยกลับบ้านอาตมา ก, กเออแต่ละคไปเก็บรบอยู่ไปเขาไข่อยู่เกาช้างองีก นี่ก่อสร้างครงพ่อมันเนี่ยพอค่อยพอแต่เก็บอาลมกลับมาบ้านเห็นอะไรของจีเทาพ่อมันเผาดิบ้อยแล้วเก็บดูร ล, ล, ลอยแล้วอันนี้ก็คือชีวิตทียุนีนนนาม า, ม า, าที่นี่ยอดนับปีสามแปดสมปดอาจจะมามาปฏิบัติธรรมยูุนี่มาแต่ก่อนมาถูกปีปฏิบัติธรรมสมัยหลวงพ่อจันทามมาปฏิบัติธรรมมาที่นี่ ปีสามแปดนี่อตาตมาล่าล่าหลวงพอ่อล่าหลวงพ่อท่องล่าหลวงพ่อบนถรำหลวงพ่อมหาบทท่องหลวงพ่อกันท่าหลวงพ่อมหมายเด็กเป็นดังคุยกันอยูอ่พอดีอามาเวล่าปฏิบัติถ้ำเก็บแล้วพอดีอตาตมาอยากเลี่ยนผมขอไปเลี่ยนหนังสือจากเอามาหาจาังหน่อยก็น่าหลวงพอ่อสนะแต่าตมาก็เลยขอขอมาหาจังหน่อยอยากได้มาหา เดินเดินปฏิบัติไปปฏิบัติมาไม่อยากได้มหาเป็นยังว่าดิอย่างนว่าหลวงพ่อมหาหลวงตามาหาบัวหลวงตามาหาบัวเอ๊ะเพื่อนกะเถ่าเป็นอะไรเขาเอิญมหาอยู่อีกอย่างหนึ่งเพื่อนกับได้แค่ไปเรียนทรรมสามหนึ่งนะตามมาบัวนี่ไปเรียนทรรมตนเขาเอิญมาหาว่าอยากได้ด้วเพื่อนเว้ยก็เลยออกไปล่าล่าหลวงพ่อไปเรียนกั ได้ค้อมจังหวะนี่แหละนะ <c oughs> ได้ข้อมก็ได้มาหาจังห่ะได้มาหาแล้วมันปรพอใจการศึกษามันไม่มีที่สิ้นสุดในี่ยไปอยู่ในสังคมการศึกษาหรวกป้าเขาเคยเรียนปริยัตีวะอาตมาอายุาายี่สบยี่สิบห้าปีป ย, ปยี่สิบหปีไาเรียนปริยัติเขาว่าทีนเรียนปริยัตีจบปริยัตีแลว้วป้ามันยังข่องใจด้วย เรียนปรญญาโทตัวอยู่มอคอ่ะไออกมาปีสามสสอปีห1าสิบเอ็ดเกี่ยวหาสิบเอ็ดออกมาเดี๋ยมันการศึกษาประสิทธสุดแต่ว่าใจหนึ่งกชิดทอดการปฏิบัติตลอดเวลาที่จะเน้นโอ้ในมาปฏิบัติแต่ว่าปิดเทมอมมมากกแต่ก่อนกัเกี่ยวข้ข่ประจาเราปิดเทมอมเมไปประจาแต่ช่วงเราล่งมากกช่วงปีสามปีสี่ได้รับปริญญาโทมานี่ เหตุงานสังคมไหลบทเนื่นปารุลอนเท่าลสามเท่าละสองร้อยสามรอยลูกเหตุงานหลายอย่างก็เลยบอกมีเวลาปีกมาเหตุงานสังคมเช่นนั้นนี่คือประวัติที่จะต้องมาออกจากนี่แหละได้ไปศึกษาเราเรียนตั้งแต่ปีสามแปดจนปีหนีกับปีสี่สิบปีห้าสิบจากปีลาวสันเพิ่งได้กลับมาปีนีด้วยเนี่ยแต่กวางก็อยู่ขอนแก่นสิบสามปีเยอยู่วัดหนองแวงพระลำหลวง สิบสองสิบสองปีสิบเอ็ดปีด้วทงแรงแว่งพรารามสองสิบเอดปีเขานิ่ตมโดยเป็นผู้นวยการโรงเรียนปริยัธ ร, รมสายสามัญมอดหนึ่งเขาอาอีกสองปีเป็นหอยเขาสองปีทุกเนมนุษย์ขึ้นเดือนนี่ทุกได้ให้แดงโอ้ยคือยังขีขามารับจ้างเอางึ้นเทนอ่ะขี้แดงสัน่นล่าออกเว้ยเนี่ยล่าออกบวเยบวมชีวิตที่อยู่ในกร ปีนี้ก็ได้มาจาับมัณานหลวงพ่อเนนี่แะบัณนี้ทังคุณเหมือนกันคุ้มให้ไปสอบพระธรรมทูตสายตาประเทศดิมัน mm hmm. ก็เลยแบบรมเขา mm hmm. จะไปทางไหนชีวิตบัณฑีตมันอินเตอร์ล้วจะไปทางไต่อไปจับทิมไปใส่อไป้แล้วกแล้วแต่เหตุปัจจัย <c oughs> <c oughs> เอานี่คือเรื่องของชีวิตกับความเกี่ยวของกับบ้านนองลอด ชนะธรรมาครับปีสามเกณฑ์าาปไปพ่อไม่ยิงสิงปีกายธรรมาไปบวชเน่ยอยู่เทศบาล <ไป S 1> อรรมามาปวดบวชเนี่ยไเทศบาลบัแทนปีกายนี่ไ ป, ไปพ่อไปพ่อไม่ิงสิงโอ้โยเมเจ้าเป็นไจขึ้นจำกันได้บ่สกสมัยก่อนพุนมากประจําเนาะหัวข่าวจนันน่ะไปพ่อโอ้โยเมไปพ่ใครเรรายๆๆมันมันเ่าหลายแล้ววะั่านจำบุญได้อมาจำบุนได้อืม ในสิ่งบุคอหมู้ลักษณะคนนิเดนก็มูเรื่องขาหัวขาที่เป็น ing, ขนจำได้อยู่จำจำได้จได้จำได้ยังจไรนบอกมันก็มาเรื่อยอยู่อาตมาก็เอาผ้าเอาโยมาถอดเทียนหลวงพ่ออยู่ปีนสมัยปีหลวงพ่อใหม่เดกจาอยู่นี่อันนี้คือชีวิตอาตมาแบบไปแบบซุ่มซีุ้มหาตเลหลใสเลน กันสิบเกตพันนะวะสิบเกตพันนะปีปีนั้นถือ่าปีสาตอาจารย์มอยู่นมาบแล้วเนาะปีสามหคนนั้นบวชปีสามหอยู่บ้านสองมันสาบวชเลบจมันสาอยู่นี่ดอกมาปฏิบัติประจำคืออ่าอันนี้เลี้ยงส่วนตอเนาะรมื่อว่าวางเรื่องบนกระินเทาไหรหน่อยิุพ่อคุณแม่น่ะ บุญกรินนี่เป็นบุญนะครับมือนี่ยสัมมน า, าอยู่วัดเรียงกรินบุญกรินนี่เป็นบุญที่เป็นบุญใหญ่ของสังคมไทยเฮะเป็นบุญที่ต้องมีทุกวัดตามพุทธอนุญาตเนี่ยคือพิสุจามัณฑาหารูปในอาวาสนั้นอาจจะค่อยเฮ็ดบุญกรินแต่ว่ากระบอกชัดเจนเพราะว่าถ้าพิสุจามัรฑ์สา อยู่ในอาวาัตนะถึงสามเดือนเนี่ยนะซิมีลูกเดียวก็ตามเนะ่ยถ้าพิสูุไม่ครบก็สมัตินิมนต์วัดอื่นมากจุดประสงค์กเพื่อให้พิสูจอยู่ในวัดนะั้นเปลี่ยนผา้าใส่ผ้าที่ผื้นไม้ผ้าเก่าอาศิค้ำขาดซินันไปแล้วแล้วก็นิมนต์พระอื่นมากเพื่อให้ครบสงในการยติขั้นมีบุญกระถิ่นาพระบกคบหาหลุดเห็นบ่ได้ไหมหมายถึงบ่ได้หมายถึงว่า เขาสิอุบโขกยังมาได้ตอนนี้มุ่นพาทังอื่นม่ให้คบหาลูกนจค่อยสิอุบลโขกที่ถวายกฐินการกฐินใดผู้ที่การฉะนั้นปีนี้ผู้ไดรับนอกปีนี้สองลูกเข า, าที่หลวงพ่อรัานตีบรายิงชุมกันตัวนี่ี่ไปจับฉลากตอัตมาอัตมาบวชสิ บ, บวชมาสิบเียตปีอัตมาพึงเคยรับกฐินครั้งเดียว เสียบว่าคุณผอพราะว่ายุวัดหนองแวงนี่แม่แต่รองเจ้าวาดบวชมาสาบปียังไม่เคยรับกรถินเนาเพราะว่ากรินวัดหนองแวงเพราะับหลวงหลวงพอ่ง อ, พอเจ้าวาดรับผู้เดียวบัดพระสี่สิบเป็นด้วยนี่ก็มีหลวงพ่อรับผู้เดียวเพราะว่ายมศรัทธาผู้เดียวเนี่ยย่อมศรัทธาผู้เดียววกระถินหลวงกรถินพระราษฎอัตมาก็ไปรับอยู่พู้นอยู่ไอบานถือตะบลพระรับอำเภอเมืองคุณแก้วก็ได้รับ เนี er so ่ึงเที่อแลกอันนี้กับบรงงรงคอตรงนั้นค er ือบริแรเป่ายิงช like ุ yeah, ่มเพราะว่าเพื่อนแบลเขาพูอยากรับกัดถินเพราะว่าขั้นรับกัดถินแล้วเนี่ยไปใส่มาใส่หนักต้องฝ่าวัดตุยพาอวัดห้อบุมีพะสิ่งโอ้ยมีผู้อยากยูเหรอทว้วยบางทีอได้จ้างรับกัถินเพื่อนตรโอ้ยใหญ่ข่อยตัวเอาข่อยข่อยตืมให้เจ้าพันหนึ่งพู้ละมันวัดดยด่อตมาก็อยู่รับกับถินเนี้ยย้นเห็นผู้ใดผู้อยากรับแต่ก่อนนยู อยู่วัดอย่างน้นเดี๋ยวควายจันมาสมควรปนอยู่วัดปนอยู่เชียงรายปนดอยฟังพระบวชต้องการผู้ผู้อยากรับกรินอ่าไ่จับลายาจึงใดครับ่เขาไปได้บวเขาไปได้บว์ได้หรือถ้ายกนี่ยโยนทางกรินเขาไปนี่ยโยนทางกรินถือผู้ใดผู้นั้นรับประนว่าเจ้าวาดกะลี่ลูกพระกะลี่มาเนี้พระน้อยก็ยันพระบวชแม่ก็ยันบม่ได้ซึ้งการได้รับกระถินแล้หร ไปแอบดูบน้าฝานโบสถรตัว่าอวะไทยบายนยนตขั้นเสียงไทยนะถือผู้ใดผู้นั้นรับตัวันจ้าวาต์เกหลีพระจะอาว่าตัวสานวะขันบ่ขันยนตครั้งแรกว่ถือไปเอามายนตไหมตัวสันวะยนจนได้รับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอวินต่างกันไปฉะนั้นพระเพิ่นก็บ่กหน่อยใจตัขั้นผู้ใดรับกฐินนี่ก็มีอันนี้สงหลายด้พระผู้ใดรับกฐินน่ เพราะว่าพพงกายอนิสงส์พระผู้ได้รับกฐินนึงถือว่าไปใส่มาใส่ก็จต้องบอกล่าคณะสงฆ์ในวัดใดให้ออนิสงส์กินนแล้วก็ใส่ผ้าเอกราบเกิดขึ้นยุบในกามารับได้ในพระแล้วก็ไปใส่มาใส่กัฉันปล้ปล่าได้ทำมถึงว่าบําเพ็ฉันได้ทุกยามเเพราะว่าฉันเป็นวองเป็นผ้าได้เน่บริเอกะ พัดเทไหรลายย่างอยู่หาหาขอด้วยกันอันนี้ส่งของผู้รับเนี่ยขั้นเนศึกษาดีีกัอิสระเติมอยู่เพื่อในความสะดวกอยู่จกกบบงงนะนั่งกรถิ่นผู้ที่สเหด็ดใดญอันบานเ่างกรถินสาม ข, ขีดเอ็นมาคุณว่าผู้ใดจะพาจะพาพอเลี้ยงไม่อ้วนโอคุณพอเลี้ยงไม่อ้วนใส่คนใดมาบ่มกัทางลางพาพ่งเลยตีห่วยจะภาพป็นังไบ่มาเฝ้ากองบุญเจ้าของเนาะใส่คนใดล่ะ คือบอกลักษณะคลั่กเๆจอยหัวเขาๆดนะีนะครับดีพูดงามๆในแม่ประสันนี่ตัวจอยหัวเขาจะ ต, ตกใจดีอันนี้คือเจ้าภาพกะทินฉะนั้นผู้ใดได้ไดเฮ็ดบุญกะทินลายนี้กะทินนี้ไทยบ้านเขาถือว่าเป็นอนิสงส์หลเพื่อนเป็นยังข้อพระแคนอายุหน่อยเฮ็ดกะทินน้องคนนี้คนอายุบราณเยเพื่อนไปเฮ็ดกะทินนี่เพราะว่าบุญมันหลายสิตายแลยว้ว เป็นว่ามีคนพิสูจน์มาหลายแล้วโอ้บุณีจาภาพกทินยังบุณีเตียเอออ๋อคุณแมีจะภาพกทินพูงามหนิวาสันไม่นาเก้อง่ามง่ามเพราเตียที่ดาสินเต่อพู้เป็นเจะภาพกทินเชียกทินได้นี่ต้องเป็นผู้ที่หนึ่งว้กลางคนขึ้นไปหรือว้ปัจฉิมเหเหมาวา<อ>่ายแล้วเออว่ายขอนไปแล้วล่ะนขอนนะบ ความหมายเพลินก็คือว่าบุญมันหลายนี่อายุอีสั่นเนีน่ยามันตายอย่างมีกรรมในตายอย่านอายุสั่นคือฝ่าไปรับบุญเจ้าของคุณเป็นนั่งอับส้อนนั่งเทมที่ดาคุณเนี่ยเพื่นาวางสั่นดิท่นี่ปีนั่นปีทั้งบุญหาพ่อเน่ยสมา ก, ก็เลยเฮ็ดบุญกรินเอาคำว่าบุญหลายก็สิบุญกระินในพ่อสำักจองเป็นเจ้าภาพกระถินยุวัฒยุบาลก็ร่วมพีร่วมนองร่วมญาติมิตรสนิทมิตรสหาย โอ้ยากพอสมควรอยู่เต็มตวแต่ว่าหนกบะเมยเฮ็ดบุญกรินนี่ยากอยู่บะเมยบเซียถามก็มีใจบงแม่ซื้อจบ่ลอยแม่อ้วนตเลยาะโอ้ยออคน่ตเออบเซียถามแม่อ้วนบังเมยอันมวนเด้เฮ็ดงานหนักอยู่ตมบะเมยมันมีแห้งใจเห็นพี่เห็นน้องมาท่านมันอย่างน้ำหน่หมอนพูหน่วยสองหน่วยมาก มาแหกกำลังใจกันนี่โอ้มีแห้งใจตัวอาตมาปีนั้นว่ามันหมอนเนี่ยว่ามันหองหนึ่งพู้เล่าผู้นั่งก็ถือมากผู้นี้นก็ถือมากพี่น้องอยู่ท้ายองเทปกับมาแต่ว่าบอกหมอนว่าท้ายองเทปไม่เาหมอนท <c oughs> ้าอางเทปนี่เมื่อใครม่รใครมาท่านน้ำหมอนเนี่ยอปัจจัยมาไหลเนี่ยพู้เรพันสองพัพันก็มีแต่ว่ามาท่านน้าแล้วปัอันพราแต่ทอดแล้วเอากบอกกับเจ้าวาดเนาะทอดแล้วรับมีหมอนไปิลึกเขา เพราะว่าหมอนขั้นถอดแล้วมันเป็นหมอนบ้านเนี่ยมานเป็นหมอนจะพาดจะพ า, ะา ไ, ปปไปเกลีรูปอะไนด้ต้องขอเจ้าวาดนะกระู บ, บาเพิ่มอีกอาอยสองอยสอยหารยก็ว่าไปส่วนตัวเจ้าวาดเป็นก็ให้อ้าแทนแจกแทงเทียบได้หมอนลูกลันดีดีใจเพราะว่าหมอนขีดนีมน่มันมาไขมนะีมาคขมีน่อยจากเสือกับแห้งอันใดก็ตามแต่ที่ได้ขึ้นว่าสิ่งที่ได้มายยงก็อน สิ่งที่ซื้อมาเนี่ยย่อมด้วยข่าวของกำนันเป็นป่ะสิ่งเขาซื้อมามันหน่อยค้ามหน่อยกว่าของที่เขาได้จากนําจีนําใจผู้อื่นด้วยถิงเพีงกับตั้มนีาาม้แะฉะนั้นพี น, นี่ก็เลยเฮ็ดบุญกับที่ในพอพเพป่นก็ก็ว่าพอจะได้ไปสู้สุขติเนี่ยนะกาความเสียสถาบันเขาเพื่ออยัางวันที่เพื่อขั้นแม่ดเฮ็ดแล้วเฮ็ ด, ด้สมใจแม่เฮ็ดเพื่อ ก, ก็ดีใจพี่น้องกันเป็นว่าได้สามมาขี่พีสามมาขี่น้องเนี่ย ันั้นผู้ที่เป็นเจ้าภาพกระถินได้ถือว่าเป็นผู้ที่มีความพร้อมซีประการด้วยกันสมประกันเนี่ยอันนึงมีบริวารสมบัติคันม่ยพีมี่น้องเนี่เฮ็ดกถินยากที่เจ้าเฮ็ดขอนไปเอาคเดียวเจ้านี่ยากเพราะว่าเป็นบุญบ้านเนี่ยเพราะว่าวัดนี่ราะนวัดเจ้าของถ้าเป็นวัดทั้งบ้านเจ้าเฮ็ดบุญกระถินนทงเทียเจ้าก็ต้องบอกบ้านบอกพนับานบอกพีบอกน้อง นื่องว่าอันหนึ่งคือบริวารสมบัติมีบริวารมีพีมีหนองเป็นเป็นสมบัตินะอันที่สองคือมีทรัพย์สมบัติเพราะฉนั้นว่าเจ้าบ่ามีเงินมีท่องสิเพื่กิดถิ่นไดด้เพราะว่าแต่ละอย่างนี่มันต้องอเจ้าสิไปคอเ พ, พระาะยังคอยคอพาไตไตหนึ่งเพราะยังคอบาดบาดหนึ่งมันรวมกันนี่มันต้องบรมันต้องเอื่นว่าต้องผู้เดียวนะพาไตานีน่นอกจากเป็นบุญสกฐินสามัคคีจงคอยทีร่วมกันอันนี้กถินส่วนตัวก็ต้อง ผู้เดียวในในส่วนที่เป็นผากรินเนี่ยไปอันนี้ก็คือเรื่องบุญกรินผู้ทเหตุไดอยากแตละมันบ่อใคยเม่อใครมีคนที่อันนี้สําร็แต่ว่าผู้มีศรัทธาหลายนี้เสียสังเกตบงผู้ถ่อผู้แก่เขาเขั้นไดเหตุบุญกรินจากเที่ยนึง่งแล้วนี้ไปดีใช่ยามเพื่อนตายเนยสามาสังเกตบงสองสาคนแล้วผู้ไดเหุบุญกระินย่ามเพ่นไปเพ่นเจ็บเพิ่นป่วยนีด นึกแต่บุญกฐินเพื่อนนะ่ะเพราะว่ามันเป็นขั้นนึงในชีวิตเพื่อนอย่างนึงมันเปลี่ยนไปเป็นอุบาทานให้โหว่ามันยิ่งใหญ่สำหรับบุญทั้งหลายบุญทั้งหลายนะมันเป็นขั้งประวัติศาสตร์ของชีวิตเนี่ยเนบอกว่าไงเนี่ยบุญกฐินขั้งประวัติศาสตร์ของชีวิตขั้นพุทธได้ดเฮ็ดแล้วนี่ย่มไปนก็ไปดีว่าขั้นไปขั้นไปดีตายตาลับแล้วนี่บอหวังก็ได้อันสุขตินะแต่ก็ที่มีความสุขเบิกบานใจ เนี่ยตอนไปเพราะว่านึกถึงบวกกองบุญกองกระถินเพื่นทีอ่าเพื่นที่ข า, ามันตามตำราเพื่นที่ได้เป็นรับของเพื่อนผู้ละอันเนี้ยแต่ว่าเพื่นเทศเพื่อศรัทธาวัดว้าอารามเป็นการรักอาญาที่นี่ก็เป็นราการรักษาพุทธศาสนาเฮา้ท่านวัดใดก็ตามมีบุญกระถินนี่พระหอเหียวใจเด้กเปนบอกคนบอกโอ้ยจับมันสายตั้งสามเดือนโยมก็ะบบมาวัดบุญกระถินกระบบมีมีแต่ไปสวดให้วัดนั่นวัดนี่ พระคอเหี่ยวใจมายูหัวนั่งไปกูสินี่พระก็ได้ไปอ่านหลานนิมนต์หาพระมายูก็มีฉะนั้นบุญกรินนี่็ถือว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ให้พระคุณเจ้าคุณได้ใส่ได้สอยเพราะว่าเพ่อได้ซื้ออันนั้นอันนี้สื่อของใส่ของสอยค่ารถไปนัันเป็นอีเพิ่นเพราะว่าบุญกรินนี่ยมีแต่ผาอย่างเดียวซิบวบซิบเบาเลี้ยงกรินเนื้ออดีตเพราะว่าเข้าหัวแล้วในเบาเรื่องสังคมกาเขาซิมีต้นปัจจัยพ่อแม่เนบ่ล่ะ นีมีปัจจัยพร้อมมาท่านมาแจ่มนํำอย่างผู้ได้รับผู้นึ้นก็ได้ถวายเพราะเป็นคารุดคาร่าเป็นนันไปนี้ได้ไม่เป็นว่าให้ฟ้องวัดตลอดออกไปได้แต่ว่าบ่ให้ขาดแต่ว่าหามหามซึกอย่างนึ่งไงต้องอยู่ค้องผ่ากระถินการผ่ากระถินจนพุแลเดียนซี่เนี่ก้อยซี่ดอกกระถินออกได้ฉะนั้นเขาคุณพ่อคุณแม่คดีขั้นประดิได้มาร่วมกันนี่ก็ถือว่าเป็นบริว่าน้ากัน เป็นบริวากรกฐินผู้เขา่าผู้หลักมี่ผู้ปีนาผู้ใดเห็นผนเฮ็ดดีแท้ปีนาอยากจองต่อไปก็จองไปอีกนะเป็นอันนี้คือว่าเป็นแบบยางเฮ็ดดีไว้ให้ลูกเฮ็ดถูกไว้ให้หลานบึงเนีเป็นแบบเป็นอย่างแกพอแกเมะแกะพี่แกน อ, ง บ, นอ ง, นนาางบานซองเข้าดินตรนข้ารงบานมาั้งหนึ่คุณทอดิตรโดนข้ารางบานจังในเมืองเนาะจังในเมืองวัดในเมืองเจ้าซื้มบจองกฐินวัดในเนยหนึ่งปุ๋ดิ เอเจ้าสิมาจองอาทินเจ้าเป็นเพื่นชิมาจองอาทินปั๊บนี่ป้าปักกาทินถา่ทางเจ้าว่าถามรถจะมีงบหลาไปไนเ ด, ดี๋ยวดิเพื่นเห็นเนีนความสำคัญทางงบนี่บ้านเฮานี่งบ่บอบ่อหยากรจะมีถามเหตุตามศรัทธาบ้านเฮาหนี่งถามศรัทธาในเมืองนึ่ถามงบนะสมมุติว่าวาดาัวาดา อ, อ่ะวัดออะนั้นต้องการสาั่งสมมุติว่าธรรมาเคยอยู่หนี่ง มีตาก็าหาแสนนี่บรไรเนี่เยเพราะว่ามีตากาหาแสนถือว่าบราิ <c oughs> ได้ทอดในเมืองต้องรักล้านขึนพู้นะจะคอยซีเจ้าวาจะคอยซียิ้มแย้มแจ่มใสเอยจะคอยเสด็จทอดเพราะว่ามันหางล้านได้บริษัทได้พกรินแล้วจะาะทำมันดอกได้ลายมาใละวัดได้ลายากรินปีนี้นี่ยที่กระถิน น, ทนทแทกขึ้นขาเพิ่เดียวนั่นแหละ ผากทินผ่านั่นก็นเป็นบริวารเจ้าซิมาหน่อยมา่หลายก็ผ่าเพิ่นเดียวด้่นะแต่ว่ากระาำกันว่าเจ้าได้ผ่าได้ลายมาได้กทินปีนี้เนี่ยโอ้ยวัดไข่ได้สามล้านตัวท่านแต่ก็เริ่มสะออนกันไปที่นี่ทั้งในมาทอรรัยก็เป็นกเป็นสันนะส่วนมากนะวัดในยในเมืองือสิเป็นสันเบิร์อ่ะวัดนั่นอะไรบานใดวัดนนี้อะไรบารนใดามกันนะขันวันแตมาเคยอยู่กับรับพ้องใจกันนี่โอ้ปีนี้ได้หาล้าน วัดอื่นถามโอ้อยวัดได้หาล้านตัวปาดแต่ของกระดูสุขมอีโกโขึ้นมีอัตตาขึ้นโอ้มาทร ม, มาดางวัดเฮ้าเจ้าสีหน่าในเฮให้ส่วนนั้นแต่วัดเฮ้า ก, กับพ่ะตองปนันดอกกับพ่อยู่พ่อกินให้มีศรัทธาเป็นหลักการันศรัทธาดีเดียวกับจะคอยเอิพี่เอิ น, น้องพี่น้องกษัตรุกการนําเสียงสาธุยนี่มันดังมวทนเด้อกักับบุญกับอุปลนี่เนาะไอ้นั่ น, น กตมาก็ บ, บอกมาพอสมควรถึงอดีตถึงเลี้ยงบุญกระทินอนุโมทนาคุณแม่อ้วนเนอะวงเล็บจอยนอะคุณพอยนีเกาะแม่อ้วนนะครับเปนจอยาแล้วคุณพลอยนีนนเนนกาะพ่อเป็น <c oughs> คุณพอเลียงครับคุณพอเลียนเตะเออสองคนผู้เป็จ้าภาพใหญ่ที่ได้ใหดบุญมนีก็ถือว่าดีอกดีใจซะอาเป็นบุญครั้งหนึ่งในชีวิตท่เขามมีโอกาสให้ห ด, ดีก็ได้ก็บสนั่นดอกแต่ว่าสวสเก็บหอมรอมริได้บุนนี้ก็ถือว่า เก็บเป็นปีสองปีเพื่อให้จะได้เหตุหนึ่งบุญนี่ก็ได้บุญใหญ่ครั้งนี้ท่านาธมาค่ะขออนุโมทนาสาธุการน้อคุณแม่หวนเนาะคุณพ่อเลียงทั้งพี่น้องคุณพ่อคุณแม่าาทายงสตรีก้าวทุกคนนั่นแหะกายสาธุนําเพึนเมียนไดครับมีมโหมาต่อน้เพึนขอให้เป็นผู้ที่ได้บุญส่วนนี้เป็นเหตุปัจจัยเป็นอุเบกษาตามทรงให้เขาเป็นผู้ที่มีภาร ะ, ะน่อยเป็นผู้ประพฤติเบากายเบาใจ เบาจิตสุดท้ายก็ได้มีเวลาไปไปเพื่อนปฏิบัติธรรมได้ผลทุกน้ำกันทุกคนเธอ